เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่19มกราคมพุทธศักราช2558เป็นวันพระวันธรรมัฒสวนสวันฟังธรรมวันทำบุญการมาวัด นี้ก็เป็นเหมือนกับการไปที่ธนาคารเอาเงินไปฝากหรือไปกู้เงินเวลาเรามาทําบุญรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เปรียบเหมือนกับการมาเอาบุญมาฝากไว้ในธนาคารบุญบุญนี้จะเป็นประโยชน์กับเราเวลาที่ เราไม่มีร่างกายเวลาไม่มีร่างกายนี้เราต้องอาศัยบุญที่เราทำไว้เป็นอาหารเป็นที่อยู่อาศัยเป็นยารักษาโรคเป็นเครื่องนุ่งหม่มเพราะตอนที่เราตายไปนั้นถ้าเรายังไม่ได้มาเกิดตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะหากินทำมาหากินได้เหมือนกับ ตอนที่เรามีร่างกายตอนนั้นเราจึงต้องอาศัยบุญถ้าเรามีบุญเราก็จะได้อยู่โรงแรมห้าดาวกินอาหาร5้าดาวใช้เสื้อผ้าห้าดาวรักษาโรงพยาบาลห้าดาวแต่ถ้าเราไม่มีบุญติดตัวไปเราก็จะไปอยู่แบบขอทานต้องไปพึ่งพาอาศัย ญาติพี่น้องที่เวลาเขาทำบุญให้เขาได้อุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลแบ่งไปให้มากให้บ้างแต่ก็เป็นเหมือนกับของที่ขอทานจะได้รับพอที่จะประทาชีพไปวันๆหนึ่ง เ, เท่านั้นแต่จะไม่สามารถกลายเป็นเศรษฐีบุญขึ้นมาได้ผู้ที่อยากจะเป็นเศรษฐีบุญจึงต้องหมั่นมาวัดบ่อยๆ มาทำบุญบ่อยๆแล้วบุญนี้ก็จะสะสมเหมือนกับเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารถ้าเราไปฝากไว้บ่อยๆเงินก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปไเรื่อยๆถ้าเราไม่ถอนออกมาหรือถ้าเราไม่ไปกู้หนี้ยืมสินเวลาเราตายไปเราก็จะมีเงินมาก เราก็จะเป็นมหาเศรษฐีบุญแต่ถ้าเราทำบุญด้วยแล้วเราก็ทำบาปด้วยเช่นวันพระทำบุญวันธรรมดาออกไปทำมาหากินก็ไปทำบาปเช่นไปโกหกหลอกลวงเวลาขายของพูดความจริงไม่ได้ต้องโกหกกันหน่อยถึงจะขายได้ขายได้กาลังขายได้ราคาดี อย่างนี้ได้มาไม่คุ้มเสียได้เงินมาเตรียมดูร่างกายแต่ได้บาปมาได้บาป ก, ก็เป็นเหมือนได้หนี้มาพอเวลาเราตายไปบุญที่เราฝากไว้ในธนาคารกับหนี้ที่เราสร้างไว้จะมาบวกลบคูณหารกันฝ่ายไหนมีมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะเอาใจไปถ้าบุญมีมากกว่าบาป บุญก็จะเอาใจไปสวรรค์ไปอยู่แบบเศรษฐีถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็จะเอาไปอยู่แบบเดรัจฉานบ้างอยู่แบบเปรตบ้างไปตกนรกบ้างบุญนี่ไปล้างบาปไม่ได้และบาปก็ไปล้างบุญไม่ได้บุญก็ต้องส่งผลของบุญบาปก็ต้องส่งผลของบาปเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ กับปลูกหญ้าหญ้าก็ไม่สามารถที่จะไปลบล้างผลของต้นไม้ที่จะออกมาได้ผลของต้นไม้ก็ไม่สามารถไปลบล้างหญ้าได้ต่างฝ่ายต่างมีมีผลที่จะปรากฏขึ้นมาเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาส เวลาใดาที่เรามีบุญมากกว่าบาปนี้บุญยังไม่สามารถที่จะออกมาวาดลวดลายส่งผลให้กับเราได้แต่เวลาใดาที่บาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะส่งผลออกมาแต่บุญที่เราทำไว้ก็ไม่ได้หายไปไหนพอเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญใหม่มาติมบุญต่อบุญจากของเก่าที่เรามีอยู่ พอบุญเรามีมากกว่าบาปบุญก็จะมีกำลังที่จะออกดอกออกผลให้กับพวกเราพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราทำบุญละบาป ก, กันอย่าทำบาปทำบุญให้มากๆแล้วบุญจะมีมากกว่าบาปทุกภพทุกชาติถ้าทุกชาติเวลาที่เราตายไปบุญมากกว่าบาป บุญก็จะดึงเราไปสวรรค์บาปจะไม่สามารถดึงเราไปอาบายได้แต่ถ้าบุญของเราน้อยกว่าบาปบาปก็จะดึงเราไปอาบายนี่ถึงมาที่สาเหตุว่าของพระพุทธเจ้าที่ให้เราทำบุญกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็อย่าทำบาปเช่นวันพระนี้ก็มาถือศีลกันการถือศีลนี่ก็เรียกว่าการละบาป ไม่กระทําบาปหาประการด้วยกันสำหรับผู้ยังไม่เคยรักษาศีลได้เลย<ม>ก็ให้มารักษาศีลห้าก่อนให้ละเว้นจากการฆ่าลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเสพสุรายาเมามถ้ารักษาศีลห้าได้แล้ววันพระก็ให้มาเพิ่มเป็นศีลแปดรักษาศีลแปดแล้วก็ให้ ใจให้สงบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนาเพื่อที่จะได้ตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปการทำบุญการละบาปนี้ไม่สามารถตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปได้เพราะไม่ได้ไปตัดต้นเหตุของภพชาติเตต้นเหตุของภพชาติก็คือกิเลสตัณหา กิเลสตัณหานี่ต้องตัดด้วยการภาวนาควบคู่ไปกับการรักษาสินแปถ้ารักษาสินห้านี้จะไม่มีกำลังภาวนาเพราะว่ากิเลสจะมีช่องออกได้เยอะแต่ถ้ามีสินแปนี้จะปิดช่องไว้หมดช่องตาหูจมูกนิ้วกายนี้จะออกไปไม่ได้เลยถ้าถือสินแปดแต่ถ้าถือสินห่านี้ ต้งตาหูจมูกลิ้นกายนี่ยังเปิดกว้างอยู่คือยังปล่อยให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้ปล่อยให้รับประทานอาหารตามความต้องการจะกินกี่มื้อก็ได้กินเวลาไหนก็ได้จะเที่ยวดูหนังฟังเพลงจะแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามวิจิตพิสดารอย่างไรก็ทําได้จะนอนบนเตียง บนฟูกหนาหนาเตียงใหญ่ๆจะนอนกี่ชั่วโมงก็นอนได้เพราะศีลห้าไม่ไม่ได้กำหนดห้ามเลยแต่ถ้าเราอยากจะปิดประตูของกิเลสตัณหาแล้วจับมันมาเชือดคอเราก็ต้องปิดการทางออกของมันทางออกของกิเลสตัณหาก็คือตาหูจมูกเล่นกาย ที่จะออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพชชนิดต่างๆเช่นเวลาร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเรานี่มันก็ออกไปทางตาหูจมูกนิ้ไปได้เห็นหน้าของแฟนได้ดมกลิ่นของแฟนได้สัมผัสร่างกายของแฟนอันนี้ก็ถ้าต้องการที่จะฆ่ากิเลสตัณหาถ้าต้องการตัดพบตัดชาให้น้อยลงไป ก็ต้องถือศีลแปดถือศีลแปดแล้วก็ทําใจให้สงบศีลแปนี่ก็เป็นเหมือนข้อที่เรากั้นวัวควายไม่ให้มันออกไปเพ่นพ่านเพราะเวลาไม่มีข้อนี้เวลาจะตามจับมันนี่มันยากเพราะมันออกไปเที่ยวเล่นตามป่าเรากล่าจะตามตัวมันเจอก็เหนื่อยแต่ถ้าเรามีข้อขังมันไว้ เวลาเราจะจับมันมามันมาเชื่อมันนี่มันก็ง่ายนี่เราค่อนเบื้องต้นถ้าเราอยากจะจับกิเลสตัณหามาเชื่อมันมาฆ่ามันเราต้องล้อมคอกมันไว้ก่อนอย่าให้มันออกไปนอกคอกแล้วพอเราต้องการจะเชื่อมันเราก็หาเชือกมาคล้องคอมันแล้วก็จับมันมาผูกไว้กับเสาให้มันดิ้นไม่ได้ พอดิ้นไม่ได้แล้วก็เอามีดมาเชือดคอมันได้ฆ่ามันได้นี่คือวิธีการตัดภพตัดชาติต้องตัดด้วยการภาวนาสนับสนุนด้วยการรักษาสินแปดอย่าไปรักษาสินห้าแล้วภาวนาจะไม่ค่อยได้ผลต้องรักษาสินแปแล้วจะมี โอกาสที่จะจับกิเลสตัณหามามัดไว้กับเสาแล้วก็ใช้มีดมาฟันคอมันได้พอเรามีคอกแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องหาเชือกหาเชือกมาคล้องคอกิเลสตัณหาเชือกนี้ก็คือสติเราต้องควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาการควบคุมใจนี้ก็คือการควบคุมกิเลสตัณหานั่นเอง ถ้าเราไม่ควบคุมด้วยสติกิเลตันหามันก็จะคิดไปเรื่องต่างๆคิดไปทางรูปเสียงกดลิ่นรสผดพะแล้วก็เกิดความอยากจะดูรูปอยากจะฟังเสียงอยากจะไปเที่ยวไปทำอะไรต่างๆก็จะทำให้การรักษาศีลนี้ลาบากบางคนก็รักษาไม่ไหวทนสู้กับกิเลตันหาที่อยากจะ ไปเที่ยวอยากจะไปดื่มอยากจะไปรับประทานตามความต้องการของกิเลสตัณหาถ้าอยากจะรักษาศีลได้อย่างสบายก็ต้องคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้กิเลสตัณหาคิดไปในทางที่อยากจะไปเที่ยวไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งดึงใจเอาไว้ สิ่งที่ดึงใจเอาไว้นี่เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี่มีอยู่4ี่สชนิดด้วยกันกรรมฐานแต่ละชนิดนี้ก็สามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้เพราะเป็นเชือกเชือกนี่มีอยู่4ี่สบชนิดด้วยกันแต่เราเอาเส้นเดียวก็พอเอาเส้นไหนก็ได้ที่เราชอบเราพอใจ ถ้าเราพอใจที่จะสวดมนต์เราก็สวดมนต์ไปถ้าเราพอใจที่จะบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็บริกรรมพุทโธไปถ้าเราพอใจกับการเฝ้าดูการกระทําของร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบทเราก็เฝ้าดูร่างกายไปถ้าเราคอยเฝ้าดูการกระทําของร่างกายเราก็จะไม่สามารถ ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปคิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แล้วเวลาเราจะนั่งทำใจให้สงบเราก็สามารถที่จะดูลมหายใจเข้าออกได้พอดูลมหายใจไปเรื่อยๆไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบใจก็จะนิ่งใจก็จะสบายนี่แสดงว่าเชือกได้มัดคอกิเลส ต, ตัณหา แล้วก็เอาไปผูกไว้กับเสาเสานี้ก็เรียกว่าสมาธินั่นเองเวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบก็เหมือนกับจับกิเลสตัณหาเข้าไปมัดไว้กับเชือกกิเลสตัณหาก็ไม่สามารถทำทำงานทำการได้ไม่สามารถออกมาสร้างความอยากสร้างความโลภสร้างความโกรธสร้างความหลงได้เวลาที่ใจอยู่ในสมาธิ ยังมีความสุขมากเพราะตอนนั้นกิเลสตัณหาหยุดทํางานหยุดสร้างปัญหาหยุดสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจนี่คือวิธีที่เราจะตัดพบตัดชาติเราต้องตัดที่ตัวกิเลสตัณหาด้วยการทําใจให้สงบทําใจให้เป็นสมาธิพอเราจับมันผูกมันวัดไหมเวลาเราจะฆ่ามันเราก็ปล่อย เราก็ปล่อยมันออกมาจากเสาแล้วเราก็เอามีดมาฟันมาฆ่ามันมีดในที่นี้ก็คือปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาพอกิเลสอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เอาปัญญามาฆ่ามันเลยปัญญานี้คืออะไรก็คือเห็นความจริงว่าสิ่งที่ตัณหาความอยากความโลภอยากได้นี้มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุข เช่นอยากจะมีแฟนเนี่ยสมมุติเราอยู่คนเดียวแล้วอยูอย่่วันดีคืนดีกิเลสก็มาเช็มาชวนว่าไปมีแฟนดีไหมมีแฟนแล้วจะมีความสุขเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญามาบอกเลยว่ามันสุขจริงหรือเปล่าหรือมันสุขปลอมกันหนาเห็นคนที่แต่งงานกันมีแฟนกันนี้เห็นเขามีแต่เรื่องมีราวกันมีแต่ทะเลาะเบาแววงกัน มีแต่ความทุกข์กันทำไมเรามองไม่เห็นนะเพราะเราไม่ยอมมองเราไปมองตอนที่เขาจู๋จีกันตอนที่เขารักกันตอนที่เขาไปเที่ยวไปมีความสุขกันแต่เรามองไม่เห็นเราไม่มองตอนที่เขาทะเลาะกันโกรธกันเปลียดกันฆ่ากันตา ย, น, ยนี่แหละเรามองไม่เห็นส่วนนี้เราเลยหลงคิดว่าการมี แฟมีคู่ครองจะมีความสุขมันมีความสุขแต่มันเมื่อเปรียบกับความทุกข์แล้วมันไม่คุ้มกันเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียความสุขเดียวเดียวอย่างที่โบราณเขาพูดว่าหม้อข้าวยังไม่ทันดำเลยอ่าก็จะตีกันละจะทะเลาะกันละเพราะนี่เป็นปกติของเรื่องราวต่า ง, างๆที่จะไม่เป็นเหมือนเดิมไปเสมอ ไม่เป็นเหมือนอย่างที่เราคิดเสมอทุกครั้งเวลาที่เราเห็นอะไรเราอยากได้อะไรเราจะเห็นเพียงด้านเดียวเราจะเห็นแต่ด้านดีด้านของความสุขแต่เราไม่เคยมองถึงด้านของความทุกข์ด้านของความไม่ดีเลยแล้วพอได้มาแล้วถึงจามาเสียใจภายหลังมาร้องห่มร้องไห้ภายหลังมาฆ่าตัวตายภายหลัง ก็เพราะว่าเราวิ่งเข้าไปหากองทุกเองไปหาไปคว้าเอาความทุกมาใส่ใจเราเพราะความไม่รอบคอบเพราะคิดด้านเดียวคิดว่าดีอย่างเดียวคิดว่าสุขอย่างเดียวนั่นเองพระพุทธเจ้าถึงส่งสอนให้เราใช้ปัญญาให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี้ มันไม่สุขถาวรมันสุขชั่วคราวเพราะมันเป็นอนิจจงอนิจจงแปลว่ามันไม่เที่ยมมันเปลี่ยนได้เวลาพบกันใหม่ๆก็รักกันดีแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้ต่างคนต่างเอาใจตัวเองแล้วไม่เอาใจกันละกันแล้วก็เลยเกิดการเสียใจขึ้นมาเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นมา เรียกว่าอานิจจ์เปลี่ยนไปเวลาพบกันใหม่ๆนี้เอาอกเอาใจกันจะเอาอะไรหามาให้ประเคนถวายให้ทุกอย่างแต่พอได้อยู่ร่วมกันแล้วทีนี้จะเอาอะไรก็ไม่ได้ดังใจแล้วเพราะเขาไม่ต้องมาเอาอกเอาใจแล้วแล้วเพราะเขาได้เรามาเป็นของเป็นสมบัติของเขาแล้วนี่แหละคืออนิจจ์ การเปลี่ยนไปของคนพอใจเปลี่ยนแล้วผลก็ตามมาสุขก็กลายเป็นทุกข์ไปให้มองอย่างนี้ให้มองว่าเป็นอนิจจงแล้วมองว่าเป็นอนัตตาคือเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ไปสั่งให้มันเหมือนเดิมไปตลอดเวลาไม่ได้สั่งให้เขาเอา อ, อกเอาใจเรารักเราเหมือนตอนที่พบกันใหม่ๆนี้ไม่ได้ ตอนนี้มันเป็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีการเปลี่ยนไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับห้ามไม่ให้มันเปลี่ยนไปได้ถ้าเราอยากให้มันถาวรอยากให้มันไม่เปลี่ยนแปลงใจของเราก็จะทุกข์ถ้าเราอยากไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องทำใจถ้าอยากจะมีแฟนก็ต้องทำใจว่าเขาจะต้องเปลี่ยนไป เขาจะต้องจากเราไปถ้าเราทำใจได้ก็ไปมีแฟนได้ถ้าทำใจไม่ได้ไปมีแฟนแล้วเดี๋ยวก็จะต้องร้องหย่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจและถ้ารุนแรงก็อาจจะฆ่ากันตายได้นี่คือปัญญาพระเจ้าทรงสอนให้เราพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่อยู่ภายใต้อานาจของเราไม่ใช่เป็นของเรา ที่เราจะควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปนี่คือการฆ่าตัณหากิเลสตัณหาอย่างถาวรถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีวันที่จะไปมีแฟนอีกต่อไปจะเบื่อสู้อยู่คนเดียวดีกว่าเวลาเหงาก็ทำใจให้สงบมันก็หายเหงาแล้ว ความเหงานีมันก็เกิดจากการทำงานของกิเลสตันหาคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วเงียบเหงาถ้ามีเพื่อนมีแฟนมาอยู่ด้วยแล้วจะได้คลายความเหงาได้แต่ถ้าเราหยุดความคิดเหล่านี้ได้ความเหงาก็จะหายไปความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าที่ได้จากการอยู่กับแฟนเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปถ้าเรารู้จักผลิตความสุขแบบนี้ได้แล้วเราก็จะสามารถผลิตมันไปได้ตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือวิธีตัดพบตัดชาติเพราะเมื่อเราไม่มีกิเลสตัณหาแล้วเราก็ไม่มีความอยากจะได้ของต่างๆสิ่งต่างๆในโลกนี้เมื่อไ ม, ม่มีความอยากก็ไม่ต้องมีร่างกาย เพราะการที่เรามามีร่างกายกันก็เพราะว่าเรายากอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถหามาได้เราต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเช่นเวลาเราตายไปนี้เราไม่สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสผัพระในโลกนี้ได้ไม่สามารถไปอยู่กับคนนั่นคนนี้ได้ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ ไม่สามารถดื่มกินรับประทานอะไรต่างๆได้ไม่สามารถไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆได้เพราะไม่มีร่างกายแต่ถ้ายังมีความอยากความอยากนี้มันก็จะดันใจให้ไปหาร่างกายให้กลับมาเกิดใหม่แต่เวลากลับมาเกิดแล้วถึงแม้จะทำตามความอยากเราได้แต่มันก็ต้องมาเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วย เจอกับความตายเจอกับการพัดพาดจากของต่างๆที่เราอยากได้นี่แหละหามาได้มากน้อยเท่าไหร่ในที่สุดเวลาร่างกายตายไปก็ต้องจากกันไปหมดนี่คือปัญญาที่เราควรจะพิจารณาถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ทั้งหลายเพราะความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากการมาเกิด การมาเกิดก็เกิดจากความอยากนี่เองถ้าเราหยุดความอยากได้ถ้าเราเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นความทุกข์เราก็จะเข็ดหลาวเราก็จะไม่กล้ากลับมาเกิดอีกแล้วพอเราไม่เกิดเราก็จะไม่มีความทุกข์พ <c oughs> <c oughs> ระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่าทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็อย่ามาเกิด ถ้าไม่อยามาเกิดก็อย่าไม่มีความอยากต้องตัดความอยากให้หมดถ้าอยากจะตัดความอยากก็ต้องถือศีลแปลถือศีลแปดเปริกวิเวอยู่คนเดียวแล้วก็หาเชือกมามัดคอกิเลสตัณหาไว้แล้วก็หามีดมาฟันมาฆ่ามันเชือกก็คือสติเสาที่จะผูกกิเลสตัณหาไว้ก็คือสมาธิปัญญาก็คือมีด ปัญญาก็คือการเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอ ส, สุภะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายเวลาเรามีความอารมณ์อยากจะร่วมหลับนอนกับใครให้นึกถึงเวลาที่เขาเป็นซากศพดูถ้าเขาตายไปแล้วนี่เรากล้านอนกับเขาไหมต้องมองอย่างนี้อย่าไปมองตอนที่เขาแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าทาปากทำเเผ า, าทำผม มองตอนที่เขาไม่มีลมหายใจดูหรือมองตอนที่มองเขา้าทะลุเข้าไปในใต้ผิวหนังไปดูอวัยวะต่างๆไปดูกระโหลกศรีรษะไปดูโครงกระดูกไปดูแขนกระดูกแข น, ขนกระดูกขาไปดูตับไตไส้พุงดูแล้วยังอยากจะไปร่วมหลับนอนกับเขาหรือเปล่านี่คือการเจริญปัญญา ให้เห็นดูสุภาพบ่อยๆแล้วต่อไปจะไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็จะอยู่อย่างสบายไม่รู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเวแต่ อ, อย่างไรแล้วก็จะไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปนี่แหละเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทำให้พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ได้หลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วท่านก็นํามามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราผู้ใดสามารถน้อมเอาไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นเดียวกันเพราะเหตุนี้เหมือนกันผลก็ต้องเหมือนกันเหมือนกับถ้าเราปลูกต้นมะม่วงเราก็ต้องได้ผลมะม่วงอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าจะปลูกปีนี้หรือเมื่อห้ารอปีที่แล้วถ้าเป็นมะม่วงมันก็ต้องออกเป็นมะม่วงมันจะไปออกเป็นมะาากอรอไม่ได้ถ้าปลูกมะม่วงมันก็ต้องได้มะม่วงนันใดถ้าเราทำเหตุที่ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ผลก็จะต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทำเหตุไม่ให้กลับมาเกิดด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนาผลก็คือท่านก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าพวกเราทำเหตุเหมือนกันทำทานรักษาศีลภาวนาเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้กระทำมาผลก็เหมือนกันเราก็จะยุดยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกันเพราะเหตุกับผลนี้มันเป็นอาการิโกมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปตามการตามเวลา ไม่เหมือนสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเช่นร่างกายของเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากเกิดมาคลานออกมาจากท้องเป็นทารกก็จเจริญเติบโตเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่แล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นคนตายไปแต่เหตุกับผลนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเหตุเป็นอย่างไรผลก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะอยู่ยุคในสบายใด ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนก็ตามแต่ถ้าสามารถทำเหตุนั้นได้ผลนั้นก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนพวกเราจึงไม่ต้องลังเลสงสัยไม่ต้องกังวลว่าปฏิบัติไปแล้วจะไม่ได้ผลเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นคนสอนขอให้ทำตามเหตุที่พระเจ้าสอนให้ทำเถิดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใด ถ้าเหตุมันพร้อมผลก็จะต้องพร้อมอย่างแน่นอนเหมือนกับการปลูกต้นไม้ขอให้เราปลูกไปเถิดคอยลดน้ำผนดินอยู่เรื่อยๆอย่าให้ต้นไม้ตายให้ต้นไม้มันจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็จะต้องออกดอกออกผลมาอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราพยายามสร้างศรัทธาให้แน่วแน่แล้วพยายามปฏิบัติด้วยความอุตสาหะภาคเพียร จะยากลำบากอย่างไรก็ไม่ท้อไม่ถอยพยายามทําจากเล็กน้อยไปหามากเพราะทํามากก็จะเกินกาลังก็จะทําไม่ไหวทําไม่ไหวก็จะเกิดความท้อแท้ได้ดังนั้นทํานทำจากเที่ยวที่เราทําได้ก่อนตอนนี้เรารักษาศีลได้กี่ข้อก็รักษาไปก่อนแล้วเพิ่มทีละข้อสองข้อไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะสามารถรักษาได้หมดนั่งภาวนาได้ ว, วันละกี่นาทีก็นั่งไปก่อนจะเรินสติวันละได้กี่ครั้งก็จะเรินไปก่อนพุโทโธได้กี่ครั้งก็พุโทโธไปเรื่อยๆหัดทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะเพิ่มมากขึ้นไปเองแต่ถ้าเราไม่ทําเลยนี้มันก็จะไม่มีวันที่จะก้าวหน้าได้เลยเหมือนถ้าเราอยากจะเดินทางไปไหนถ้าเราไม่เริ่มก้าวเท้าเรานั่งอยู่เฉยๆ เราก็จะไม่มีวันจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เลยแต่ถ้าเราเริ่มก้าวเท้าไปทีละก้าวทีละก้าวพอเหนื่อยเราก็หยุดพอหายเหนื่อยเราก็เดินต่อเดินไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็ถึงเองฉันดาการปฏิบัตินี้ก็เป็นเช่นเดียวกันถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่มีวันยกเลิกไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถึงเป้าหมายถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอน ก็ขอให้พวกเราจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิ์พิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากการยืนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศิลรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้